บทที่ห้าความเป็นมาแห่งผู้สร้างนครปาตาลีบุตรตอนทางสองแพร่งรัชทายาทแห่งแคว้นมคตสดับมัทุรสวาจาของพระเทวทัตตอนนี้แล้วรู้สึกตื้นตันพระไทยเป็นที่ยิ่ง พระองค์ทรงดำริว่าผู้ที่หวังดีต่อพระองค์นั้นจะหาใครเสมอเหมือนด้วยพระอาจารย์รูปนี้เห็นจะไม่มีอีกแล้วพระองค์มีได้ทรงเฉลียวพระทัยถึงเจตนาร้ายของพระเทวทัตซึ่งแฝงมาอย่างมิดเม้นในรูปแห่งความหวังดีมนุษย์เรามีอัธยาศัยความโน้มเอียงและจุดอ่อนต่างๆกันการล่อให้ใครทาอะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าทราบความโน้มเอียงและจุดอ่อนของผู้นั้นไม่เป็นการยากเลยที่จะให้เขาทำตามความปรารถนาของผู้ล่อผู้มีความโลภเป็นนิสยัยย่อมโน้มเอียงไปในลาบและเงินทองเมื่อมีลาบลอยอยู่เบื้องหน้าจิตใจของผู้นั้นก็จะกวาดแกว่งถ้าได้กำลังและโอกาสสนับสนุนเขาจะเริ่มทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ลาบนั้นมา บางคนไม่มีจุดอ่อนทางลาบแต่เขาอ่อนแอเหลือเกินในเรื่องสตรีงามเมื่อต้องการให้บุคคลประเภทนี้หันเหชีวิตไปในทางใดต้องการให้เขาทำอะไรถ้ามีสตรีงามแอบแฝงอยู่ด้วยเขาจะยอมทำยอมฝ่าฟันอุปสรรคและบางทีก็เป็นการลงทุนจนเกินเหตุแต่จะทำอย่างไรได้เขามีจุดอ่อนในชีวิตในทางนั้น บางคนมีความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่เป็นโตเสีย จ, จนกลายเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของชีวิตเมื่อถูกหลอกล่อ ด, ด้วยตำแหน่งฐานะและยศศักดิ์เขาจะเดินตามไปและยอมทำทุกอย่างโดยไม่ระวังอันตรายรอบด้านด้วยเหตุนี้เองกระมังแม้จะมีสุนัขเฝ้าบ้านอยู่แล้วเมื่อขโมยโยนก้อนเนื้อให้มันก้อนหนึ่งมันจะเงียบกริบ ยอมให้ขโมยเดินเข้าบ้านได้อย่างสบายก้อนเนื้อเป็นความหวังเป็นความต้องการของสุนัขเมื่อมันได้สิ่งที่ต้องการแล้วมันก็พอใจอะไรจะแอบแฝงอยู่เบื้องหลังก้อนเนื้อนั้นมันไม่เข้าใจไม่พยายามที่จะรู้และดูเหมือนไม่จําเป็นจะต้องรู้ด้วยมันเป็นความพอใจให้แก่โจรแต่เมื่อรุ่งอารุณ์เยี่ยมกลาย นายเจ้าของบ้านสำรวจดูพบว่าของหายไปเป็นจำนวนมากจึงลงโทษทุบตีสุนัขเฝ้าบ้านมันเจ็บแต่มันไม่รู้ว่านายตีมันเรื่องอะไรมันไม่เข้าใจภาษาที่นายพูดมันตอบคำถามไม่ได้ถ้านายเลี้ยงมันอย่างดีฝึกไม่ให้มันกินของที่ตกอยู่กับพื้นมันจะยอมกินก้อนเนื้อของโจรแลหรือ แต่นายไม่เคยสำรวจและสำนึกถึงหน้าที่ของตนที่จะปฏิบัติต่อสุนัขคอยบังคับกระเกงให้สุนัขปฏิบัติหน้าที่ของมันข้างเดียวความจริงมันก็พยายามจะปฏิบัติตามหน้าที่โดยเคร่งครัดอยู่แล้วโดยการเห่าเมื่อได้กลิ่นคนซึ่งไม่ใช่เจ้าของในเวลาวิกาลแต่เมื่อก้อนเนื้อแทรกเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่มันประสงค์มันต้องการ จึงทำให้มันลืมหน้าที่ไปชั่วคราวนี่คือจุดอ่อนของสุนัขท้านายซึ่งเจ้าของสุนัขเป็นเพียงคนรับจ้างเฝ้าบ้านเท่านั้นมีใช่เจ้าของบ้านและเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงและเขาได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สมบัติที่เขาโมยไปเขาจะพอใจหรือไม่เรื่องนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความสำนึกในหน้าที่ของเขามีมากน้อยเพียงใด พระเทวทัตพูดหวานล้อมเจ้าชายรัตทายาิเพื่อคร้ำหาจุดอ่อนในที่สุดก็มาถูกจุดอ่อนของเจ้าชายอาชาติศัตรูเข้าประกอบด้วยความยาวต่อโลกเมื่อเห็นพระชุกมุมารยังประทับนิ่งอยู่พระเทวทัตจึงใส่เชื้อลงไปเพื่อให้ไฟคือความปรารถนาราชสมบัติของเจ้าชายโหมแรงยิ่งขึ้นว่า องค์รัชทายาทเมื่อก่อนนี้คนมีอายุแต่ว่าเวลานี้คนอายุน้อยการที่พระองค์จะสิ้นพระชนเสร็จแต่ยังยาวนั้นเป็นสิ่งที่อาจเป็นได้พระองค์ตรัสอยู่เสมอมิใช่หรือว่าอยากปรับปรุงประเทศอยากให้แคว้นมคดเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่านี้พระราชกุมารทรงหยุดหยุ่ครู่หนึ่งแล้วตรัส ต, ต่อไปว่า จะให้ข้าพเจ้าทําอย่างไรเวลานี้สมเด็จพระราชบิดายัางอยู่เรื่องทั้งหลายแล้วแต่พระองค์จะทรงดําริเห็นชอบแต่พระเจ้าพิมพ์พิสารสมเด็จพระราชบิดาทรงชารามากแล้วนอกจากนี้ยังทรงหมกมุ่นในทางธรรมมากด้วยพระองค์จะทรงทํำนุบํารุงบ้านเมืองและนําแคว้นมาคดไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรพระราชกุมารตังหากลา ที่ฟ้าดินส่งมาเพื่อเป็นจอมชนแห่งแคว้นมคตแล้วจะให้ขพเจ้าทำอย่างไรเล่าท่านอาจารย์ราชกุมารตรัสอย่างลังเลพระทยัยปลงพระชนสมเด็จพระราชบิดาเสียแล้วขึ้นกรองราชเองด้วยการนำของพระองค์แคว้นมคตจะเกลียงไกลที่สุดในชมพูทวีป พ, พระราชกุมารขอพระองค์ได้ทรงจำไว้เถอะว่าอานาจเป็นใหญ่ในโลก เมื่อเป็นช้างต้องเป็นพญาช้างเป็นม้าก็ต้องเป็นอาชาณยเป็นโคก็ต้องเป็นอุสุพราชและเมื่อเป็นคนก็ต้องเป็นจอมคนจะมิเป็นบาปไปหรือท่านอาจารย์ในการปลมพระชนสมเด็จพระราชบิดาบาปบาปพระเทวทัตคำรามเสียงสนั่นบาปเป็นเรื่องของคนฉลาดหลอกคนโง่ เพื่อตัวจะได้มีโอกาสถือเอาผลประโยชน์ตามที่หวังได้อะไรคือบาปผู้ที่กระทำในสิ่งที่คนทั้งหลายเห็นกันว่าเป็นบาปแต่เมื่อสำเร็จคนทั้งหลายก็นิยมชมชื่นต่อผลสำเร็จนั้นสงครามเป็นการนำคนไปฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่จอมทัพผู้ชนะกลายเป็นผู้คลองโลก ได้รับการเคารพยำเกลงจากคนทั้งหลายแม้สมณะพระมานาจารย์เจ้าตำรับบาปเองก็ยังอวยชัยให้แก่กองทัพทั้งไปและกลับแล้วก็สรรเสริญสดุดีกันอย่างไม่รู้จักจบสิน้นพระองค์ทรงเห็นไม่ว่าอะไรมันคือบาปอะไรมันคือความชั่วคนที่ยึดกรองความเป็นใหญ่ได้เป็นคนดี เป็นคนมีบุญวาสนาเสมอคนต่ำต้อยและคนทําอะไรไม่สําเร็จตั้งหากเล่าที่เป็นคนบาปพระเทวทัตพูดทิ้งไว้เท่านี้และถวายพระพรลาปล่อยให้น้ำคำําเขาแทรกซึมเข้าไปสู่ห้วงอาทัยของพระราชกุมารเองแล้วก็เป็นเช่นนั้นพระราชกุมารทรงดําริตรีตรองอย่างลึกซึ้งหนักหน่วง ความเอ็นเอียงตามคําของพระเทวทัตมีมากอยู่อะไรคือบาปอะไรคือความชั่วเรื่องบาปเป็นเรื่องของคนฉลาดยกขึ้นมาขู่คนโง่เพื่อมิให้มาแย่งผลประโยชน์ของตนเมื่อก่อนคนอายุยืนเวลานี้คนอายุสั้นความตายอาจมา ก, ก่อนที่จะได้รัชสมบัติก็ได้ราชสมบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา ของผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์ดอกหรือเหล่านี้เป็นความคิดที่วนเวียนอยู่ในพระทัยของพระราชกุมานคืนนั้นองค์รัชทายาทแห่งแคว้นมาคตมีอาจบันทมให้หลับสนิทได้ความปรารถนาของพระองค์ได้ถูกจุดให้ลุกโพลงขึ้นเสียแล้วเหมือนไฟซึ่งติดฐานไม้ตะเคียนยากนักที่จะมอดดับ คำกล่าวของพระเทวทัตคอยหวาดแวววอยู่ในพระโสด ต, ตลอดเวลาอำนาจเป็นใหญ่ในโลกเป็นโคต้องเป็นอุสุภราชเป็นช้างต้องเป็นพญาช้างเป็นม้าต้องเป็นอาชารใยและเป็นคนต้องเป็นจอมคนจอมคน คำนี้มีความหมายสำหรับความรู้สึกของพระยุพราชยิ่งนักช่างเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและน่าปรารถนาสินิกรายพระองค์มิได้คำนึงถึงความควรไม่ควรมิได้คำนึงถึงการเวลาว่าสิ่งที่ต้องการและถ้าจะให้ได้มาโดยชอบควรจะได้มาในการอันควรจะได้ถ้าได้มาในการเวลาอันไม่สมควรจะได สิ่งที่ได้มานั้นมักมีผลร้ายและเป็นอันตรายมาด้วยเสมอแต่เมื่อความโลภความหลงเข้าครอบงำดวงใจซะแล้วดวงปัญญาที่จะพิจารณาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็ดับวูบลงและมนุษย์ก็มักจะประสบกับความสะท้อนใจระทมใจและความเศร้าใจในภายหลัง เพราะการกระทำอะไรลงไปด้วยแรงดันและความโลบความหลงนี่เองอยู่หนึงน่งเนืองแต่ชีวิตย่อมเป็นไปตามคันลองของมันเองเมื่อถึงพราวชีวิตจะเปลี่ยนแปลงย่อมมีแรงบันดาลใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บุคคลเจ้าของชีวิตก้าวลงสู่ทางที่เดินต่อไปข้างหน้ามันเหมือนมีอำนาจอะไรบางอย่างคอยกระตุ้นเร่งร้า และผลักดันให้ชีวิตหันเหไปในทางที่เจ้าของชีวิตก็ไม่อาจรู้ได้ว่าทำไมเขาจึงต้องทำอย่างนั้นและประกอบกรรมอย่างนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่อยากทำเลยชีวิตทุกชีวิตมักจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเอาชนะไม่ได้แม้เขาจะพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อเอาชนะมันจนกว่าเมื่อใดเขาจะมีจิตใจเข้มแข็งที่สุดเด็ดเดี่ยวที่สุด โดยการค่อยๆ อ, อบรมฝึกหัดเอาชนะมันไปทีละเล็ทีละน้อยองค์รัชทายาทแห่งแคว้นมาคตทรงมีความรู้สึกวันไหวและรวนเรไม่ อ, อาจจะตกลงพระไทยได้ว่าจะทำประการใดทรงเห็นพระไทยและสงสารสมเด็จพระราชบิดาแต่เมื่อสงหัวระลึกถึงพระองค์เองครั้งใดความเห็นแก่ตัวอันฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกของดวงจิตแห่งมนุษย์ปุถุชน ทุกรูปทุกนามก็เกิดขึ้นก็พระองค์เองเล่าไม่ทรงเห็นแก่ความสุขของพระองค์เองบ้างหรือความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อจะต่างกันก็แต่เพียงวิธีการสแสวงหาความสุขเท่านั้นในขณะที่อาชาศัตรูราชกุมารทรงลังเลอยู่หลายเพลาไม่อาจตกลงพระไทยได้พระเทวทัต ก็มาอีกเพื่อย้ำตะปูที่ตอกไว้ให้แน่นและลึกลงไปในแผ่นกระดานคือดวงหัไทยขององค์รัชทายาทราชกุมารทรงต้อนรับด้วยอาการคารวะอย่างยิ่งเมื่อนั่งนัทที่สมควรแล้วพระเทวทัตเอ่ยปากเป็นคำแรกว่าพระรากกุมารมีสีพระพักตร์หม่นมองไปข้าพเจ้าตรองไม่ตกท่านอาจารย์ ว่าควรจะทําประการใดดีพระราชกุมารตรัสตอบข้าพเจ้าเกรงต่อบาปต่อความผิดและการตำหนิติดเตียนของมวลชนสมเด็จพระราชบิดาหรือก็ทรงมีพระคุณต่อข้าพเจ้าล้นเกล้าวชีวิตของข้าพเจ้าได้รับความสุขอยู่เวลานี้ก็เพราะสมเด็จพระราชบิดาพระราชกุมารตรัสแล้วก็มีสีพระพักศร้าอยู่พระเทวทัตถอนใจแรง เหมือนจะระบายความอึดอัดออกก่อนจะพูดว่าพระราชกุมารขอให้ทรงโปรดสดับคําของอาตมาภาพก่อนเถอะพระองค์ทรงกลัวบาปกลัวความผิดและคําคอระหาเรื่องบาปอาตมาภาพได้ถวายพระพรแล้ววันก่อนนี้ต่อไปนี้มาพูดกันถึงเรื่องความผิดและคําคอระหาความผิดคืออะไรความผิดความถูกนั้นก็เป็นเรื่องที่มนุษย์สมมติกันขึ้น สมมุติขึ้นก็เพื่อหลอกลวงกันตลอดถึงหลอกลวงตัวเองให้หลงงมอยู่ในสิ่งที่ขัดกับความสำราญของชีวิตเมื่อมีชีวิตก็ควรแสวงหาสิ่งที่พึงพอใจเพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิตนั้นใช้ชีวิตให้มันหมดไปกับมือของเราในทางความเป็นใหญ่ความสุขสำราญมนุษย์อยู่กันไปไม่เท่าไหร่ก็ต้องตายเมื่อได้ใช้ชีวิตให้สำราญเต็มที่แล้ว เราก็พร้อมอยู่เสมอที่จะต้อนรับความตายซึ่งไม่แน่ว่าจะเยี่ยมกลายเข้ามาในวันใดความตายเป็นของแน่นอนแต่ชีวิตเป็นของไม่แน่เพราะฉะนั้นจงรีบใช้ของที่ไม่แน่เสียแต่วันนี้เพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลังชีวิตเหมือนปุยสำลีในอากาศไม่แน่นอนว่าลมจะพาไปทิศใ ด, ดและจะตกไปที่ไหน ด้วยเหตุนี้เมื่อมีโอกาสจงรีบฉวยโอกาสนั้นโอกาสอัญงาไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายนักเมื่อพลาดโอกาสเสียครั้งหนึ่งแล้วอาจจะต้องคอยไปอีกนานกว่าจะพบโอกาสอย่างนั้นอีกและบางทีอาจจะไม่ได้พบอีกเลยตลอดชีวิตเกี่ยวกับคำนินทา พระเทวทัตกล่าวต่อไปอย่างหนักแน่นมันเป็นเสมือนคลื่นกระทบฟังแล้วก็แตกกระจายเป็นฟองฝอยเมื่อพระองค์กระทำพระองค์เยี่ยงฟังที่แข็งแรงทนทานคลื่นนั้นจะทำอะไรได้มันแตกกระจายไปเองอันหนึ่งคนในโลกนี้ใครจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นอยู่นานนักเรื่องของเขาเองก็มีอยู่ท่วมท้นพ้นตัว พระองค์อย่าทรงวิตกกังวลกับเรื่องนี้เลยความสุขความสำเร็จของพระองค์เองถ้าพระองค์ไม่ทรงขวนขวายเองใครเล่าจะมาหยิบยื่นให้พระชักุมานเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรพระเทวทัตหน่อยหนึ่งและทรงก้มพระพักต่อไปพระเทวทัตจึงถวายพระพรเพิ่มเติมว่าองค์รัชทายาท ความหวังดีของอาตมภาพที่มีต่อพระองค์นั้นลึกซึ้งนักยากที่จะพัฒนาด้วยวาจาได้แต่เมื่อพระองค์ไม่ทรงเห็นความหวังดีของอาตมภาพจะทรงปัดเรื่องนี้เสียแล้วก็แต่พระไทัยเธอะอาตมภาพขอถวายพระพรลากลับไปก่อนว่าแล้วพระเทวทัตก็ทำทีเหมือนจะลุกจากอาสนะพระราชกุมารทรงเห็นพระเทวทัตแสดงอาการน้อยใจ ดังนั้นก็ตรัดนวงเนียวไว้ว่าอันความหวังดีของอาจารย์นั้นข้าพเจ้าประจักษ์แก่ใจอยู่แต่เวลานี้ยังปรมไม่ตกว่าจะกระทำประการใดดีให้ประสบผลสำเร็จด้วยการปลอดภัยด้วยพระเทวทัตเห็นได้ทีดังนั้นจึงกล่าวว่าข้อนี้อัตมาภาพเชื่อในพระสติปัญญารองอุบายของพระองค์เมื่อตกลงอะไรแน่นอน การตรองหาอุบายเป็นเรื่องไม่ยากนักและแล้วพระเทวทัตก็ถวายพระพรลากลับไปด้วยดวงใจที่เบิกบานเมื่อพระเทวทัตพระใจบาปกลับไปแล้วอาชาสัตรูราชกุมารเสด็จขึ้นไปชั้นบนแห่งประสาททรงหมกมุ่นกังวลพระทัยยิ่งนักคำพูดของพระเทวทัตคมคายพลั่งพร้อมไปด้วยเหตุผลที่น่าฟัง และบัดนี้พระราชกุมารมีพระทัยเอ็นเอียงไปนในทางพระเทวทัตมากแล้วแต่มีบางครั้งที่มโนธรรมผุดพรุ่งขึ้นในพระทยัยทำให้พระองค์ทรงยับยั้งที่จะกระทาปิตุฆาตอย่างไรก็ตามคุณธรรมดังกล่าวนั้นน้อยเกินไปจึงดูเหมือนจะไม่อาจต้านทานความรู้สึกที่ไหลเลื่อนลงไปตามคารมของพระเทวทัตได้ มนุษย์เรามีความรู้สึกชั่วร้ายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในดวงใจประจำอยู่แล้วคอยแต่สิ่งเราที่จะมาเร่งเร้าให้ผุดโผล่ขึ้นมาเมื่อใดเท่านั้นพระจุกมุมารประทับยืนรับลมอยู่ณช่องพระกแกลท่วากรจวนจะลับขอบฟ้าด้านตะวันตกอยู่แล้วลมโชยเพียงแผ่วมาต้องพระวรกายชุ่มชื่นแต่พระไทยของพระรจุกมุมาร กำลังเร่าร้อนและมืดมนพระราชกุมารละสายพระเนตรจากแสงพระสุริยาแล้วทอดพระเนตรลงต่ํามองดูยังถนนซึ่งตัดผ่านตำหนักทรงเห็นสุนัขสองตัวกําลังแย่งเนื้อก้อนเนื้อกันอยู่สุนัขตัวขาวได้ก้อนเนื้อมาแล้วตัวสีแดงเข้าไปแย่งตัวสีขาววางเนื้อลงยืนคล่อมไว้ตัวสีแดงกําลังมากกว่า และตัวใหญ่กว่ากระโจนเข้าไปงับต้นคอของตัวสีขาวตัวสีขาวร้องเสียงดังลั่นพยายามจะสะบัดจนหลุดและวิ่งหนีไปสุนัขสีแดงคาบเนื้อก้อนนั้นได้ก็ออกวิ่งไปตามถนนคงจะนําไปกินที่มุมสงบมุมใดมุมหนึ่งพอมันวิ่งไปได้เพียงครึ่งทางสุนัขสีดําตัวหนึ่งก็เดินสวนทางมา มันเข้าขวางหน้าสุนัขสีแดงพร้อมทั้งคำรามอย่างไว้อํานาจสุนัขสีแดงยืนงงอยู่ชั่วครู่หนึ่งวางก้อนเนื้อลงกับพื้นและวิ่งหนีไปสุนัขสีดำตัวใหญ่และท่าทางทรงพลังแข็งแรงนอนกัดเคี้ยวก้อนเนื้ออยู่ตรงนั้นนั่นเองทันใดนั้นคําสอนของพระเทวทัตซึ่งยังคลุมเครืออยู่ได้ก็ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระราชกุมาร สว่างโรอบปานประหนึ่งจุดคบเพลิงขึ้นน้ามมมืดตัวอย่างที่เห็นย่อมเด่นชัดกว่าคำสอนเสมอข้อนี้ช่างเป็นความจริงเสียนี่การายจริงแล้วที่พระอาจารย์เทวทัตกล่าวว่าอานาจเป็นใหญ่ในโลกพระเทวทัตนำคำนี้มาจากใครก็ช่างเธอแต่มันเป็นความจริงเป็นความจริงที่ไม่ควรคัดค้าน เป็นโคก็ต้องเป็นอุสุภราชเป็นช้างก็ต้องเป็นพญาช้างเป็นม้าก็ต้องเป็นอาชาในเป็นคนก็ต้องเป็นจอมคนนี่คือคำพูดของพระเทวทัตพระราชกุมารปรารถนาจะเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าแม้เป็นสุนักก็ต้องเป็นจอมสุนักนี่เองคนทั้งหลายจึงแย่งอำนาจกันนักเมื่ออำนาจเข้านัตที่ใด ความยุติธรรมก็หลบหน้าคืนนั้นรัชทายาทแห่งมคตทารัฐบรรทมวางแผนการอยู่เป็นเวลาค่อคืนเมื่อย่างเข้าสู่ปัจฉิ ม, มยามแล้วจึงบรรทมหลัก